ฟังธทมกันเนอต่อจากเราสาธยายทมสวดมนต์ไหวพระตอนเช้าแล้วก็มาฟังทมต่ออีกเพื่อชำระล่างชิวิตทิ่ใจของเราให้หลุดให้หล่นจากโลกทั้งหลาย บทสวดนตอนเช้าเนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ <c oughs> นอกจากเราได้อารมณ์ของการปฏิบัติ <c oughs> ก็ไปเช่นเดียวกันกายจักว่ากายเวทนาจักว่าเวทนา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 การเห็นตามสูตรของอารมณ์กับภานี่มันหลุดนะมันไม่ใช่ยึดไว้เห็นอะไรมันก็หยุดหลุดออกมันหลุดแล้วมันก็พ้นไปพ้นจากโลกไปโลกคือรถทั้งหลาย นอกจากรูปรถกินเสียงว่าเป็นรถในความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายมันเปนโลกเมื่อเราเห็นอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของวิปัจนามันหลุดออกมันหลุดออกมันหลุดออกแล้ก็เบา ว่าหุตาเบากายกิตะละาหุตาเบากิตเวลาที่เราคิดอะไรได้ทำอะไรอะไรได้พูดอะไรได้มันก็อาจจะครึ่งเึ่งกลางๆงในความหลุดของพ้นไป แต่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยงนะมันจึงจะมีรสชาติมากที่สุดเลยบทสวดมนทํธรรมเช้าเนี่ยบทสูตรของเราลงอมันฐานมีรสชาติสำหรับเราช่วยเราให้เห็นช่องเห็นทางหลุดพ้นไปเลยๆถึงเขาวที่ เก็บมันคืออะไรเวทนาไม่เที่ยงหรือเที่ยงอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกองรูปที่เป็นรูปขันเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นตัวเป็นตนไหมบทสวดสาธยายทำตอนเช้าเมันช่วยเราเยอ เป็นช่องเวนทางเหมือนท่าท่าขึ้นฝั่งถ้าเป็นพระัดยานมีฝั่งที่ไม่มีน้ําจงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงยินดีเฉพาะโต่อพัดยานนั้นเป็นท่าเทียบขึ้นฝั่งได้ทําในใจได้ทําความเห็นได้ เนมากเวลาที่เราอยู่ในอาการที่มันบ่งบอกเราบทสวดวันนี้บอกเราตั้งแต่ลานแล้วมามาสามสิบสี่สิบปีแล้วเราสวดวันไหวพ้พระแต่ถึงเขาจริงมันบอกเราจริงบอกไม้ใช่บอกใฉ้ช่วยเราด้วย อันไหนเสีย ม, มันไม่เที่ยงอันไหนเสียมันเป็นทุกอันไหนเสียมไม่ใช่ตัวใช่ตนบอกเราก็ช่วยเราให้ดุดให้พ้นไปจากความไม่เที่ยงจากความไม่ทุกข์จากความไม่ใช่ตัวตนจากการเกิดเจ็เจ็บตายไม่ใช่บอกเฉยๆช่วยเราสัจธรรมต้องไปจากนันไม่ได้บอกเหมือน โลกครูวาจานยืนบอกอยู่ล้ากระดานให้เราเกิดความรู้แต่ว่าสัจธรรมปาณณลมของกับปัญฐานเนี่ยมันบอกไม่ใช่บอกแบบนี้ไม่ใช่ให้เกิดความรู้ให้เกิดการเห็นพอบอ ก, กเราก็เห็นทันทีเห็นทันทีทันใดเห็นทันทีทันใดเลยสิ่งใดที่ ก็เห็นรูเห็นพบเห็นมนเห็นมันก็หลุดพ้นเลยเห็นแล้วไม่ใช่ไปเยืนจังค่าอยู่ตรงอาการเจ็ันเกิดขึ้นเห็นแล้วก็หลุดไปเห็นแล้วก็หลุดไปเป็นการรอบรูทั้งหลายทั้งหลายเต็มไเกิดขึ่งกับรูป ก, กับนาม การเกิดขึ้นกับรูปเนี่ยถ้าเราไม่จัดเกตในเรื่องอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมักจะหลงนะมักจะหลงแต่ถ้าเราจัดเจตอารมณ์กรรมฐานเรามักจะได้ปัญญามักจะเกิดปัญญาไม่ใช่เกิดความหลงเหมือ น, นเมื่อก่อน มักจะเกิดปัญญาช่วยให้นามธรรมบริสุทธิ์พุดฟองอาใสปัญญาที่เกิดจากกองรูปเนี่ยทำให้นามธรรมคือจิตที่มันรู้อะไรได้เนี่ยมันบริสุทธิ์เขาสะอาใสรูป เป็นบทเรียนอาศัยการหลุดพ้นจากรูปไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหอไม่ใช่หนีจากบ้านนี่เมืองนี่ไปนู้นไปนี่มันหนีจากกองรูปเน่ยที่เป็นรูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกรูปสมมุตินามสมมุติมันหลุดลงไปจากนี้แล้วท่าขึ้นฝั่งก็หลุดลงไปจากนี่เละ ถ้าไม่หลุดจากแน่ขึ้นฝั่งไม่ได้จมลอยคอหวืนขนจบดามสุขทุกเหมือนขนจบดามพ้นสุขพน้ขนทุกข์เดขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งละความชอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ าตาบิ๊กมชาโยสติมานีสติเนี่ยเงินพลนยกขึ้นฝั่งอย่างง่ายได้ไม่ใช่ไปเอาเหตุเอาผลของนีะอะไรเหตุผลก็เหตุผล ที่เครื่องทุนแลงทาให้สนับสนุนใน ห, หลุดในพ้นเช่นอวิชาคอยเกิดสังขารสังขารเกิดนามโลกนามโลกคให้เกิดได้จนะอาจันะเกิดปัจฉะปัจฉะเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาอุปทานอุปทานเกิดพบเหชาติเกิดเชี่ยวมณะโสกับปิเศวะทุกอุ้ย มันมาทางนี้จริงๆนะเหมือ น, นชี้องคตมันเดินเข้าชี้องค์ไปที่ไหนถูกแต่นรกไม่ไปสวรรค์สักทีเดินไปเดินไปก็เห็นกาศบร่างกาศุบเหล็กอะไรตอดินพวกสัตว์นรกอยู่ บางคนร้องไห้วิ่งออกมาเดินเข้าไปอีกไปเห็นอีกขี่องคดนะแต่บางคนเดินเข้าไปปับไปถึงสะบูกระนีมีพระมีสนาน้ำเย็นมีพระให้สินให้พรผมนมนให้เดินลงมาเดินเข้าไปอีกก็ถึงที่เก่าเพราะเรารู้ เราเดินมานานจีเลรมองกฎคือชีวิตเราเนี่ยไม่หลงอะไรบ้างน ะ, ะเราหลงอยู่กี่พบจี่ชาติหลงไปในความสุขหลงไปในความทุกข์เล่นๆอยู่อย่างนี้หรือชีวิตเน่ะไม่ใช่เล่นนะชีวิตชีวิต เ, เนเี่ยเป็เราเหี้ยงเอาจังกาบันมันหลุดไปอะมีความหลุจากตัวมีสติเขียนมันลงไป ขี้บังลองไปโทษบังลองไปเหมือนพ่อแม่เก่าโทษลูกครูบาอาจารย์เก่าโทษลูกศิษย์อันนั้นมันก็เป็นดีนะอันนี้มันก็เป็นดีนะอ่าเราก็ถูกตกถูกแต่งมาจากช่างพูดช่างจาของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์นะแล้วเมื่อเทียนเนี่ยเราจะไปเอาสุก ไปติดสุกเอ า, า, อาหัวเตีนหัวล้อเลยเยอะเยอะใหญ่แล้วโอ้ยหัวล้ะอะไรปฏิบัตธิธรรมมา20วันมันได้จัมปะกัดนี้มันก็ดีแล้วสุกจริงนะมันพ้นจากอะไรอะไรเยอะๆความโกรธความโลภความหลงแน่ถือว่าเดืออยู่ประมาณสัก ถ้าเป็นน้ำหนักร0อยกิโลหน่เหลืออยู่สี่สิบกิโลท่นัหละรุด อ, อกไปตั้งหกสิบกิโลน่ะหลวงพอ่อมันหมดทุกข์จกิงจินะแต่มันก็พอหมดทุกข์ผมไม่สุกอนะ่ะถ้ายังสุกอยู่มก็มีทุกข์อยู่ของสุก ข, ของคุณเหมือนกบโคกรู้จักกบโคกไป กบโคกไปเคยอยู่ในหนองในบึงพอฝนตกมามีน้ำรอยควายบวกไดอยก็ลงไปเมบลอ่องอบอบอมันดีใจงานกบโคกแต่กบในบึงในหนองเขาโอ้ยมุดอยู่อย่างนั้นมันเย็นมากกว่าบก ลอยวัวลอยไข่บวกวั บ, กบกวกไข่ที่น้าขังเพียงเล็กน้อยอ่าก็พอหลวงพ่อเทียนบอกว่ากกโกกแล้วก็อ้ยก็คือเราเด็ดเลยไม่เคยเห็นลูกไม่เคยเห็นน้าไม่เห็นเห็นทุกอยู่กับทุกป่บาบันนี้เห็นก็หลุดออกไปบ้าง อ๋อสุกก็จุกน้อยๆอภิเทวราะว่าทํา ม, มาจีวันเนี่ยทา ม, มายี่สิบวันยี่สิบวันมันพ้อย่างนี้มันรู้อย่างนี้จริงๆเลยรู้จริงๆถ้าจะมากกว่านี้มันจะเป็นยังไงอย่าไปหลงอยู่อย่าไปหยุดถ้าสร้างยังวะสร้างให้ไปให้ไวไปสักหน่อยบําเพ็ญบางกิตเข้าไปรู้เท่ารู้ทันมัน เรื่องของกายไม่ต้องไปรูปไปคำมันไรมากเขากิดเลยบัดเนียบ่มเป็นดังกิจมีสติดูกิตมีสติดูกิตมีกิตดูกิตในกิตมันดูกิตในสติมันก็ดูกิตในกิตมันดูกิตในตัวมันดูตัวมันไปเรื่อยไอ่าเป็นอารมณ์เอาผัฐานที่ ยกมันมีรถมันมีการติดกันกันเหมือนจังมาต่อยติดรถหลวงพ่อไปถามลาดเขาว่ามีจะอะไรวิธีใดเทียวอย่างมาต่อยจากรถหลาบว่ามีอ่าเราก็เอามามาพ่นมาขีดมาทาพอทาไปหน่อยก็กระดาษคิดโซ่ที่ รูปบวกว่าวงกว็ออกมันเป็นน้ำย า, าอารมณ์อภิฐานเนี่ยมันล่างร่างเงนถินนะทวามยึดมัน่นแต่มันต่างๆค่อยตรุษค่อยตรุษค่อยดรรู้สึกรู้สึกเบียดติดูจิตมีจิตดูจิตเข้าไปอ่ารู้สึกรู้สึกเข้าไปบวามเป็นทางจิตผมว่าเทียนหมูว่ว่าพระพุทธเจ้าตัดจะรู้ทางจิตควเป็นทังจิต แต่ว่าเราทํากายแต่มันมันอยู่ที่จิตกายเราเคลื่อนไหวแต่มันจิตตัวรู้ไม่ใช่มาดูกายทำไมเพราะว่าจิตในีมันออกหน้าออกตาที่มันจะเป็นอะไรทันมันทันทีนทั น, ทนมันทัน ท, น ท, นทนีจึงออกจากสุขจึงออกจากสุขโอ๊ยถ้าไม่สุขก็ยังมีทุกข์อยู่ได้อารมณ์ เห็นการปรมาณธสภาวะธรรมความจริงจากสมมุติปัญญติในโลกที่มันเต็มไปด้วยสมมติปัญญติสุขวางทีก็สมมติเราต่างกันนะว่าได้เหตุได้ผลดีคิดดีๆก็เป็นสุขได้สมมุติปัญญติ ไม่ใช่ปรมาจั จ, จะปรมาจัจะมันเหนือสมมุติน่ะไม่ใช่สมมุติน่ะโลกนี้เต็มไปด้วยสมสมุติสมมุติเราสมมุติในความคิดเป็นทุกข์เป็นสุข ก, ก็ได้สมมุติในคําพูดคําจาของคนเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ได้สมมติสมสมุติในวัตถุสิ่งของโูก สีเสียงต่างๆความเป็นกเป็นทุกได้นี่ยไม่เป็นสมมติปัญญาติปรมัดจะจะเหนือเหนือสิ่งเหล่านี้ไปอันนี้ก็จริงแบบสมมุติคําสรรเสริญเนนทามันจริงแบบสมมุติไม่ได้จริงแบบปรมัตดเลยอะไรที่เป็นสมมุติเนี่ยเลวไหลเท่านั้นพอเห็นปรมัดอะมันลบลบสมมติปัญญาติ เข้าประตูธรรมรเว็นประมาทเนี่ยเข้าเดินประตูธรรมอะไรที่เป็นความเย็นปานเทมันหลุดตับหมดเลยเบาไปเรื่อยๆไปอารมณ์กรรมฐานแล้วก็อาศัยการบอกการสอนพรูวอาจารย์อาศัยบทสาธยายธรรมอาศัยบทการศึกษา ได้พบได้เห็นได้อ่านรู้หลักสูตรคำสอนธรรมะมันก็ช่วยได้เหมือนกันไหมเป็นเนน้อยเรียนนักธรรมชันติอ่านนวกกววาดจำติดปากได้ไม่เดิมเท่าทุกวันนี้เตียนกันจริงจริงสมัยเป็นเนยจำได้ เออออกมาสอนออกมาช่วยอะไรเราอยู่ยังไงอย่างขันห้าเนี่ยธาตุสี่มันคืออะไรจากที่เรารู้เราก็เห็นด้วยมันรู้เห็นจากการรู้เห็นนี่อาศัยการบ อ, อกการสอนการศึกษาเราเรียนเหตุผลต่างๆแต่การพบเห็นเนี่ย เกิดจากวิปัสจนาญันเช่นเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเป็นวิปัจจนาญันเน่ยเห็นรูปโอ๊ยอยู่ที่ไหนก็เป็นรูปเนี่ยเห็นนามอยู่ที่ไหนมันก็เป็นน้ำเห็นทุกโอยมันทุกเนี่ยตัวทุกเหรือเนี่ยเห็นสุกตัวสุกเหรือเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเออเห็นความมันทุกเออ ก่อเกิดเจริญตายนี่พบเห็นมันคืออะไรมันคือทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ก็มอบหมายมันเป็นทุกข์ไปไม่ใช่เราสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็มอบหมความไม่เที่ยงมันไปไม่ใช่เราสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนมอบห้ความไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไปอยู่ในรูปมีมากอยู่ในานามก็มี อันความไม่เที่ยงความันทุกก็ไม่ใช่ตัวตนบางทีมันจอนมาอยู่ในกองลูกจอนไม้ในกองน้ำเราก็รู้ขี้หน้ามันขี้หน้ามันใช้อำนาจใช้สิทธิเป็นปัญญาช่วยรูปได้ช่วยน้ำได้วิปัจนานาจเนีนะ่ยฮะ ชว้น้ำก็คอยสะอาดบริสุทธิ์รูปก็สาอาดบริสุทธิ์ไม่แปรหลงพปรหลังไม่บ้าหอบฝังไม่มีสีลพดที่ไปยึดอะไรอะไรจริงจังจนหัวฟัดหัวเวียงตามสมุติโลกตามสมมติปัญญา ตระวัฒน์สภาวธรรมที่เราไปเห็นคู่กับสบมุดเนี่ยมั น, ฉ น, นเฉลยตรงกันข้ามอะไรที่เป็นสมุิมันก็ไม่ใช่ปรมะัตน์อันใดที่เป็นปรลั์มันไม่ใช่สมุิเลยของจริงก็เป็นของจริงตัวรู้ตัวแน่มันจริงขั่วตัวหลงตัวรู้ถึงตัวมันจริงตัวมันจริงขั่วความโกรธตัวรู้สึกตัวมันจริงขั่วความทุกข์ จะรู้กตัวเป็นจริงกับอะไรในโลกทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นอยู่ในรูปในนามมันไม่จริงอ่ะอันที่เป็นสมมุติเราเคยเสียเวลาอยู่กับสมมุติมากทีเดียวเละดูดีๆนะสมมติมันพยายามที่จะขยายอำนาจไปสู่รูปสู่นาม แล้วมันก็คองมันก็ยึดเอาไว้จนเกิดสึกสองขามเกิดแย่งเกิดผิดฉินผิดธรรมก็เป็นสมมุติปัญญัติเราผิดฉินก็เป็นสมมติปัญญตัติเสียหายทะเลาะวิวาทกันก็เป็นสมมติปัญญัติัดเาหวังให้ดีเกิดจากเราบวางเกิดจากคนอื่นบ้าง เกิดจากวัตถจริงของบางเกิดจากโลกบ้างคือแผ่นดินโลกคือบุสั์โลกคือแผ่นดินมันเกิด ใ, ให้สมมติเราหลงได้เพลิัเนเราก็ไม่หลงมังมีแต่ความฉลาดมีแต่ปัญญามันเป็นไปทำนองนี้อารมณ์ของกรรมฐานมันไม่ใช่รู้โอโนรูนี่เห็นสวรรค์เห็นเทวดา เทวดาสีดแดงๆพระเอินสีเขียวๆอุย้ยสมัยปี๕อ๒หลวงพ่อเป็นตัวแทนของวิปจัจาจารย์จังหวัดเลยเจ้าของจังหวัดส่งไปร่วมวิปจัจาจารย์ทั่วประเทศใต่ไมยนั่นหลวงพ่อจะเป็นประธาน ไปอยู่วัดอุปงเคียงใหม่เวลานั้นก็นสมวัดสวดมนต์ตอนเย็นพอสวดมนต์ตอนเย็นเสร็จก็นั่งสมาธิกันหลวฟัดหลวเพียงพระทั้งหลายว่า ด, ดีนั่งหลับทําลายไหลก็ยังนึกว่าตัวเองทําสมาธิแล้ว่วันนี้เวลานั้น <c oughs> จริงไม้มันหักลงมาขึ้ลงมา เหล่าพระทั้งหลายก็อยู่ในความเงียบพอเวลาผ่านไปออกจากสมาธิว่าอะมีพระโูกหนึ่งพูดกันว่าเมื่อกี้นีผมเห็นวันที่เห็นก่อนที่เสียงจริงมากมไ่หักเห็นตัวอะไรเสียงแดงมา ง, งออยู่ตรงนั้นอาจารย์หลวงพ่ออาจาพระบ อ, พอ สีแดงๆอาจจเป็นเทวดานะมาสรรเสริญพวกเราถ้าเป็นสีเขียวเป็นพระอินท์นะอุย้ยอะไรเนาอูยเนะอะมันเป็นตัวเป็นตอนอย่างนั้นหรือต้องมาบินว่อนอยู่กับเราเลยโอ้หลงเข้าเลปะโตคิดว่อแสดงว่าไม่มี สมมติปัญญาติไม่มีปรมาจัรยะพูดแบบสมมติเรารูปเทวดาก็เป็นลูปเปื่อยๆสีแดงๆลู ป, ปเป็นทรงเครื่องจะหน่อยสีเขียวๆจากเขาเขียนภาพตามฝาผนังต่างๆเทวดาคือใจที่มันอายมีสติเต็มที่แม่แต่คิดมันก็อาย มีอุตตะสัมปันนังสุขะทะไมาตาสันโตแทบรามติมุจเฉลยความรู้จักความเลิกได้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือเป็นเทวธรรมในโลกอายแม้กระทั่งความผิด ต, ตัวเองแต่แคไม่กล้าพูดไว่กลาทำไม่ขล้าคิดอันไหนที่เป็นความชั่วนั่นนะเทวธรรมในโลกพระพุทธเจ้าตัดไวไ้ไม่ใส่ตัวแดงๆไม่ใส่ตัวเขียวๆ อยู่ในหัวใจของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าโลกบาลคุ้มครองเอาไว้เมื่อเรามีเทวธรรมในใจน่ไม่มีหรอกนาลกไม่มีเปรตไม่มีสุรกายไม่มีเตระดชนัน เ, เทวธรรมเทวธรรมก็คือเทวดาเองคือจิตใจมีศีลมีธรรมมีสติเต็มที่ เพราะผมก็เต็มไปด้วยเมตตาพระอินทร์ก็เป็นใหญ่ใหญ่ในชีวิตเราไ ม, ไม่หลุดไป่หล่นไปไหนของกายของใจของบา้านของเืองของลูกของหลานของทรัพย์สมบัติไม่เฉลวยเฉลียเป็นใหญ่ได้จริงๆให้ความผาสุกแม่แต่สัตว์แม่แต่ต้อตอนไม้เดิในไปในป่าเองจริงไหมมันหักทับต้นไม้เล็กๆอยู่ พ่มหลงยกออกเป็นพระอินแล้วเป็นใหญ่แล้วให้เขาเพื่องเราได้สิตอนนี้นะให้เขาเพื่องเราได้สัจะจะล่าชิงวันหนึ่งคนหมูบอกว่ า, วาเห็นตุกแกกับงูมันกินกันไม่รู้อะไรกินอะไรไม่รู้ตุกแกกินงูหรืองูกินตุกแกแล้วพอก็ไม่ดูต่างโกต่างคาบกัน ไล่มันออกไปงูออกไปทุกแกอทุกแกยังไม่วิ่งไปไหนงูวิ่งไปงูก็วิ่งไปแต่ ม, มากินทุกแกหลวงพ่อเลอยเชิญบังยาอิจฉาเบียดเบียนกันเขาบอกเขาเขาก็พ้นไปรู้จักช่วยนอกจากช่วยเราแล้วช่วยจะ่งอื่นวัตถุอื่นให้เป็นเป็นพระอินทสักทีนะ ช่วยต้นไม้ช่วยน้ำย่าทิ้งจริงสกพรกลงในน้ำถนอนน้นทางอย่าสุบุรียากินแล้วมันเบียดเบียนเรงเสียเศรษฐกิจสุบุรีม้วนหนึ่งเงินละบาทเอาเอาเงินบาทเดียวไปเผาไฟทิ้งไม่ประโยชน์เลยนะมึงนี่แหละ ของโลกได้เลิกความชั่วคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเทวธาทมเป็นดินเป็นพระผมเมตตากรุณาสงสารกันนะธรรมะต้องสอนอย่างนี้นะไม่ใช่สอนให้ลอยอยู่บนฟ้าเห็นนอกกายนอกใจเราไปโอ้โหหลวงพ่อเทียนถามว่าเป็นเทวด า, าได้ไหม เป็นบนุษย์ได้ไหมเป็นพระอินทร์เดินผมได้ไหมเป็นพระได้ไหมที่สุดคือเป็นพระเราก็ตอบว่าเป็นได้ครับเป็นได้หลวงพ่อเป็นพระได้ไหมเป็นได้เนี่ยไม่ใช่โอ้ยผมยังไม่บวชยังไม่เป็นพระยังไม่โกนผมยังไม่ผ่านโบสถ์นั่นเป็นสมมุติประโยสงสมมุติ ไม่ใช่สงผลตะไต่สงผลตะตะไตคือเราสวดพระเจ้ส wow. ุปฏิปโนพระวาโตสาวสงสาวกของพระผู้ม ah ีพระเจ้าอะไรปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าวัวเลยปฏิบ่ติงบออกจากบทเจ้ากุพชาสวดเจติอ่าเป็นสมมุตดสองสมุติ ไม่สงฆ์พระราชนตายสงฆ์อีกกนหนึ่งเป็นสงฆ์สังฆกรรมถ้าอภัณฑกรรมอภักรรมก็สงฆ์ยี่เอดรูปแล้วจำโอ้ยี่เอดรูปเป็นสังฆกรรมได้รับกรถินห้ารูปอุปสมบทกรรมห้ารูปลงโอโบชดต้องสี่รูปขึ้นไปถ้าสามเป็นคณะไม่ใช่เป็นสงฆ์นี่เรียกว่าสงฆ์สมาชิกสังฆกรรม ไอ้สองประทานใจแน่น้อยก็เป็นสงได้สังฆทานสังฆทานนี่ทํำไงต้องมีสองสีรูปเลยจะไปรับสังฆานโอ้ยแน่น้อยไม่เป็นตาบาทคนเดียวก็ได้เราถือขันเข้าออไปหน้าบ้านไม่เจาะจองใครเราทําสังฆทานไม่แน่น้อยไม่มี็นตาบารองเดียวเราใส่บา ท, ทในแนวลองแบ่งไม่เฉพาะผู้ใด เรียกว่าสังฆท า, านไปต้องเสีรูปก็ได้รูปเดียวกว็ได้เน้นก็ได้คือไม่จอดจองถ้าเจาะจองไม่เป็นสังฆท า, านเป็นบุคคลิกท า, านไม่เป็นสงฆ์โอ้สม บ, บูรณ์ประยันไปนเนยัล้นโลกเสีเ่ยเราโลกเมื่อเราไม่ศึกษาเราก็ติดอยู่กับโลกเนะี่ยเอาจริงเอาจังทะเลาะวิวาทกันเถียงเถียงกันนะเราบกโอ้ตไปต้องไปนะอะไรอันนี้ก็ ตอง่วานใจเวลาเอเรากับพระรอบงิน